بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ص, على و و ص ل و ฺุลลอฮฺุลลอ م ฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลลอ ا ฺุลลอฮฺุลล ا ฮฺุลลอฮฺุลลอฮฺุลล ر ระบ ر ดชรับล ي ซัตดีอียสิร์ลี ل ัมรีวพลูลูกดะต์มิลิส ي นีฝั่ห์วค نفعنا ع ل م ت ن ا و ع ل م ن ا م ا ي ن ف ع ن ا و ز ي ر إ ن ا ع ل م ์ร ب ناظلمناأنفسناوإلمتوفر لناوترحمناكنكوننمنالخاسرين รับบนาเอต ن นา מל ดุ مة وهي لنا من أمرنا رشدا الحمد لله سور ุษะเบกอินชาอัลลอฮฺขอดุดอ้ายสามารถเรียนจบก่อนที่จะถึงเดือน رمضان เล่าเม่อค so, ืนอาย์เล้วนะครับอ i n s h a a l l a h s u b h a n a h u w a t a า l a ا ل ح م د لله.نحن عبد رمضان. เดือนที่เราเฝ้ารอในแต่ละปีในแต่ละรอบเพราะว่าเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยบาร akah เต็มไปด้วยสิ่งดีๆที่เราจะได้ตักตวงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้ทําอามัลอิบาดัห์ต่างๆอย่างมากมาย การนั้นไม่ใช่ว่าต้องรอให้ถึงเดือนรอร้อนแล้วจึงจะเอาจริงเอาจังเดือนรอจับกับเดือนชาวบ้านสองเดือนก่อนเดือนรอร้อนสำหรับคนในอดีตเขาก็จะเริ่มกันแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ใน เราได้ตักเตือนตัวเองได้เตือนตัวเองว่าใกล้แล้วการเริ่มที่จะหันกลับมาทำอำ ม, มัลต่างๆอยู่กับคำพิล Quran การคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้หญิงที่ยังมีหนี้ชดใช้ในเรื่องของการถือสินอดช่วงที่นางมาประจำเดือนเมื่อปีที่ผ่านมาอรามาดอนที่ผ่านมานะครับ มีกี่วันที่นางได้ละศินอดไปก็อย่ารอให้ถึงเดือนร ر م ض อนมาถึงนะครับให้รีบคํานวณวันคิดวันที่ว่าเหลืออีกเท่าไหร่ที่ยังชดใช้ไม่หมดสองเดือนก่อนที่ร ر م ض อนจะมาถึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้ชดใช้ในเรื่องของการถือสินอดวันนี้มาดูกันนะครับโซรัสโทซาเบเริ่มอ่านตั้งแต่อายัดที่ยี่สิบสี่ จนถึงสามสิบจบไหมสาสิบนะยสิบสี่ถึงสาสิบเชียวบ้าน الله أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ م ُ ب ِ ي ن ษ กล่าวทูลถามَُ่กระหม ا อมนั้นกร ن ล ل กาแม้จะทำลูกาลูกาจ ن รวมกั وهوالفتاحالعالمقلأرونالذينألحقتبهشرك َََُُِِ وه ك ค่แ ل, ز ز ل ه บลหัว ا ل ع ز อฮฺอั ك อาซ م ا อัลฮ س َ ل มว่ามาอั ل สล ا ะค ا อิลลากัฟเตลีนน <تصفيق> ولكن َِ أكثر َ الناس لا يعلمون. <تصفيق> ُ และ و วกเขาจะพ ا ดว่าเมื่อถึงวั ق นั้นข้าพเจ้าจะไม د เชื่อ م ือคำสัญญา ت องพว ทิ illah, nah, ้รูน عنه س ا ع ت ولا تستقدون الحمد لله ما شاء الله นะอายัดยี่ี่ถึงสายังอยู่ในโหมด ที bin ja Allah ala, ่เป uh, ็นคาสั่งจากอัลลอฮ์ س ب ح ا ه และ ت ่ท่านนบีลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมเขาเรียกว่าเป็นประเด็นถกเถียงที่ท่านนบีสอนที่อัลล์ ه แะสอนท่านนบีมุฮัมมัดลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมให้พูดกับพวกชริกินก่อนหน้านี้ เริ่มเริ่มจริงๆแล้วมันเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราบอกว่าที่เราเรียนไปแล้วว่าเราแตะ่ละสั่งให้ท่านน บ, บีบอกว่าสิ่งที่พวกมุชลิกีเขารบูชาเนี่ยมันมีสิทธิ์จะเป็นพระเจ้าได้อย่างไรมันไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นพระเจ้าเพราะว่าหนึ่งไม่ได้เป็นผู้ครอบครองสิทธิ์สองไม่ได้เป็นหุ้นส่วนสามไม่ได้เป็นผู้ช่วย Allah subhanahu wa taala แล้ว nah, ส nah, ok nah, nah, um ี่ไม่สามารถให้ชาอัดอนนี้จบไปแล้วประเด็นเหล่านั้นยังไม่จบอีกมาต่อกันอีกเป็นประเด็นอื่นต่ออีกนะคุลมันยรุคุกุมมินัสสมวาทิวลอัวันนี้เป็นประเด็นเรื่องการให้ริสกีบ้างสังเกตดูนะครับคำว่าคุลคุลคุลเนี่ยแปลว่าอะไร จงกล่าวเธอเป็นคาสั่งปกติแล้วคุลเนี่ยเราจะเรียนในสุรสันสั้นในยุจุที่สามสิบเนี่ยอยู่ในสุรษัทอะไรบ้างคุลยาอีัลกาฟิรูใช่ไหมครับคุลฮุวะละหละฮ์และคุลอะไรสามคุลสาุลอะไรว้างสามคุลเราคุ้นชินกับสามคุลคือคุลฮวะลลฮ์ุลอนดบิรับอินฟัลักคุลลอุนดบิรับอินนัส คำวักกุลเนี่ยให้จำเอาไว้เลยอัลลอ์สั่งท่านนบีให้พูดออกมาอาจจะเป็นพูดออกมาเพื่อสอนหรือพูดออกมาเพื่อเจรจาสนทนากับบรรดามนุษย์ทั้งหลายที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และฉะนั้นกุลจงกล่าวเถ um ิดมุฮัมมัดมนยรุกุมมินสมาวะติวะลั ตั้งคำถามไปยังพวกมัทธิกคิดว่าใครที่ให้ริสกีแต่โมให้ริสกีตรงนี้นะ ม, มินัสสามาวาต์ริสกีจากท้องฟ้าอะไรคือริสกีจากท้องฟ้าให้น้ำฝนลงมาวอลอาร์ริสกีบนแผ่นดินจากน้ำฝนที่ตกมาจากฟอกฟ้าเนี่ยพอน้ำฝนตกลงมาที่แผ่นดินแผ่นดินก็งอกเงยขึ้นมามีต้นไม้ต่าง แล้วพวกเจ้าก็ได้ได้ใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยในการยังชีพของพวกคุณริสกีมันมีอยู่สองแห่งนี่แหละมีอยู่ในท้องฟ้าแล้วก็มีอยู่ในแผ่นดินอต่แผ่นดินก็รวมทะเลรวมอะไรด้วยอยู่แล้วแน่นอนนะครับสรุปก็คือไม่ว่าจะเป็นริสกีจากท้องฟ้าหรือริสกีบนหน้าแผ่นดินใครเป็นคนใครเป็นผู้ให้ ใครเป็นผู้กําหนดใครเป็นผู้ประธานแน่นอนนะครับคําตอบสุดท้ายเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นอย่างอื่นนอกจากคําตอบที่จะต้องสรุปออกมาว่านั่นคืออัลลอฮ์ซุลฮานอวะซาลลและที่แปลกก็คือพวกมุสลินก็ยอมรับยอมรับนะว่าละกัลละเป็นผู้ให้ริสกีดังนั้นในเมื่อยอมรับแล้วสัาา ka, าา้งที่ทัางที่ทั้งที่ทั้งที่ทั้ บือนั้นพวกเขาไม่ไับปรานจากสวรรค์และโลกคือที่นมในเมื่อยอมรับแล้วว่าไม่มีใครที่สามารถให้น้ำฝนลงมาจากท้องฟ้าไม่สามารถทำให้แผ่นดินงอกได้ทุกสิ่เป็นต้ไมันนอกจากอระเจ้าเท่านั้นดังนัานจึงรู้ว่าไม่มีใครอื่นอกจากพระเจ้าในเมื่อยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้ริษกีก็ต้องยอมรับ ว่าล l a h เป็นพระเจ้าที่จะต้องเราที่เราจะต้องเคารพพักดีนะครับถ้าเราเรียนวิชา t ตา h i d เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีสอง Tauhid นั่นก็คือ Tauhid r i y y a h Tauhid ก็คือ a l l a เป็นผู้ให้ริสกีในเมื่อยอมรับในร u บ u b i ของแล้วก็ต้องมี Tauhid อุลฮิยาห์มาด้วย ผู้ให้ริสกีคือผู้สมควรจะได้รับการเคารพพักดีการอิบัจากเรานี่แปลกมากเรายอมรับว่าอัลล์เป็นผู้ให้ริสกีแต่วลาไปอิบัตไปอิบัตสิ่งอื่นพวกมุสลินยอมรับว่าอัลลอฮ์แต่ละให้ริสกีแต่วลาไปอิบัไปอิบัตกับพวกรูปันต่างต่างที่รอ์บบเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ถูกต้องทุกนยรกุนสวคล กนะก็สั่งอีกว่าจงบอกถดว่านั่นคืออัลล์เท่านั้น س ุ ح ا ن ا ل ل รัเนน وَإِنَّ أَوْئِيَّكُمْ ل َ ع َ ل َ ا ه ُ ذ َ ن ท่อนนี้เนี่ยน่าสนใจมากคาพูดที่บอกว่า وَإِنَّ أ َ و ْ ئ ِ ي َ أَوْفِيْ َ ل َ ا ل م ُ ب ِ ي ن ไม่พวกเจ้าไม่พวกเราก็พวกเจ้าที่อยู่บนทางนำหรืออยู่ในการหลงทางอันชัดเจนอันชัดแจ้งเข้าใจไหมครับคำพูดนี้เนี่ยเาเรียกว่าไม่ใช่คำพูดที่ยอมถอยนะ ไม่ใช่คำพูดที่แสดงออกถึงความสงสัยหรือลังเลในจุดยืนของตัวเองไง่าย่ที่เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเจ้าจะไม่เชื่ออิสลามหรือจะไม่ยอมรับศรัทธาต่อ a l l a เนี่ยเราสองคนเนี่ยมันต้องมีแหละคนไหนคนหนึ่งที่ที่ถูกและอีกคนหนึ่งต้องผิดมันมมันเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกทั้งสองฝั่งหรือจะผิดทั้งสองฝั่ง ทำไมท่านนาบีถูกสั่งให้พูดอย่างนี้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าในตับซิดเนี่ยก็บอกว่าฮาดามิบบิลลัฟฟิวนเชรลัฟฟิวนเชรเนี่ยหรือในภาษาของวิชาที่เรียกวิาวชาการโมนาซอาร์เนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นมรารยาทอย่างหนึ่งคนที่จะพูดอย่างนี้ออกมาได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มั่นใจว่าตัวเองถูกต้องแล้วถึงจะพูดออกมา ไม่ใช่คำพูดของคนที่แสดงถึงความลังเลหรือความสงสัยในตัวเองว่ามึงถูกก็ได้หรือกูถูกก็ได้ไม่ใช่อันนี้เนี่ยเรามั่นใจแน่นอนอยู่แล้วร0อยเปอร์เซนว่าเราเป็นฝ่ายถูกเราจึงกล้าพูดออกมาว่าระหว่างเราสองคนเนี่ยต้องมีคนหนึ่งคนใดถูกแน่นอนทีนี้นะต้องมีคนหนึ่งคนใดถูกและต้องมีคนหนึ่งคนใดอยากจะรู้ว่าใครถูกใครผิดเอามาเปรียบเทียบเลยระหว่าง หลักฐานของเรากับหลักฐานของเจ้าหลักฐานของใครที่มีน้ำหนักมากกว่ากัดนั่นแหละคือคนถูกระฉาน์และอินน้าอวิยาคุมละ علا หุดันอวฟี ظلالموبين เป็นการประกาศว่ามันชัดเจนทุกอย่างมันชัดเจนอยู่แล้วต้องใช้สติปัญญาในการคิดสักนิดหนึ่งแล้วเจ้าก็จะได้คำตอบเราจะไม่บังคับ ไม่ใช่ว่าเราจะมาบังคับไม่ใช่ว่าการที่เราเรียกร้องไปสู่ทางของ Allah s u b h n a h u Wa t a a เนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังท่านนาบีมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังการที่ท่านดะว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญไม่มีด่ว่าของท่านนาบีตรงไปตรงม า, าถ้าเราถูกก็ถูกถ้าเราผิดพวกท่านถูกก็ไม่เป็นไรแต่ในความเป็นจริงเนี่ยว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเนี่ย พวกมุสลิกินก็ย่อมรู้แก่ใจดีว่าใครถูกใครผิดแถ้าให้พวกมุสรินพูดเนี่ยไม่กล้าพูดอย่างนี้หรอกพวกมุษริมนจะกล้ะพวกไหอินนาอวยาคุลอาลาฮูดันอัฟิลลลมบไม่กล้าพูดเพราะว่ายังยังไม่รู้เลยว่าตัวเองถูกหรือผิดนะเพราะฉะนั้นคำพูดนี้ไม่ใช่คำพูดที่แสดงออกถึงความอ่อนแอไม่ใช่เป็นมารายาทเป็นการอินซอล เป็นการแสดงความยุติธรรมและตรงไปตรงมานการเชิญชวนสู่ความถูกต้องแต่แฝงไปด้วยความมั่นใจว่าสิ่งที่เรายึดถืออยู่ถูกต้องแน่นอนนะใครที่มั่นใจพูดออกไปได้เลยนะอยู่ตอนน้าคนที่ไม่มั่นใจในเราพูดได้เลยเออระหว่างชั้นกับเธอเนี่ยมีใครคนหนึ่งที่ต้องผิดหรือที่ต้องถูกแต่ฉันมั่นใจว่าฉันถูกแน่นอนดูซิว่าคู่สนทนาของเราเขาจะรู้สึกยังไงเวลาที่เราพูดออกไปแบบนี้ แต่ความตรงไปตรงมาในการด่า ว, วของท่านนาบีสลัลลอฮอะลัยฮิลมพวกมุชลิกีนเองเนี่ยเคยตั้งคำถามว่าตกลงที่หรือที่บรรดาม穆มินมาเชิญชวนให้ศรัทธาต่อลอสุาอตะล ะ, ละมันมีผลประโยชน์แอบแฟงอะไรหรือเปล่าทำไมต้องมายุ่งเรื่องของเราด้วยเราอยู่ของเราดีด เราเป็นกูฟอร์ของเราดีๆแล้วพวกนี้มายุ่งอะไรกับเรื่องของเราด่วอยอ่ะมันมีประโยชน์อะไรหรือเปล่ามีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่ากลัวว่าคนพวกนี้จะคิดแบบนั้นแล้วก็จะเอาข้ออ้างแบบนี้เนี่ยมาเป็นตัวกีดขวางเป็นข้ออ้างที่จะไม่ยอมรับศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุลฮานาวะตะอัลละลอสุบานาอัลตะอัลละก็เลยสั่งให้ท่านนาบีพูดออกไปอีกนะครับกุลอันต่อไป “ฮุล <technologies> ”ไม oh <S 2 In ican> oh, ่ต้อบถามเกี่่งที่เราทำผิดอันนี้เนี่ยมีการเราสามารถที่จะอธิบายได้ว่าท่านเฉพาะท่อนนี้นะอธิบายได้ว่าประมาณว่า พวกนี้เนี่ยรู้ความจริงนะแต่ยังไม่ยอมรับเพราะเอาตัวบุคคลมาอ้างเอาตัวบุคคลมาอ้างจะอธิบายยังไงให้เข้าใจเหมือนกับถ้าในสภาพปัจจุบันบ้านเราอ่ะรู้แหละว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ดีแต่ มันรับไม่ได้อ่ะเพราะอะไรเพราะเพื่อนอัวก็เป็นมุสลิมนะโอ้วก็มีเพื่อนที่เป็นมุสลิมแต่โอ้วรับไม่ได้อ่ะสภาพของมุสลิมบางคนเข้าใจไหมครับไม่ยอมรับอิสลามเพราะเห็นพฤติกรรมของมุสลิมบางคนที่ตัวเองไม่ถูกใจเอามาเกี่ยวโยงกันทีนี้ถามว่าถ้าสมมุติ เราไปเชิญชวนเขาท่านนาบีสละสลัมไปเชิญชวนพวกมุสลินแล้วมีอะไรบางอย่างที่พวกมุสลินไม่ยอมรับในตัวท่านนาบีเพราะไม่ชอบเป็นส่วนตัวเนี่ยถามว่าลเลาจะเอาผิดพวกมุสลินเพราะความผิดของท่านนาบีไหมมันไม่มีแบบนี้ไม่มีผลประโยชน์แบบนีน้การที่ท่านนาบีชวนให้เป็นให้เป็นมุสลิมพวกนี้มันคิดว่า ถ้าเราเนี่ยมาเป็นมุสลิมเหมือนกับที่ท่านนาบีดะว่าชวนชวนเราเนี่ยความผิดต่างๆหรือข้อผิดพลาดต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาอัลลจะให้อภยัยถ้าเราไม่เป็นมุมสลิมถ้าเราไม่เป็นมุมินเหมือนกับที่ท่านนาบีดะว่าพอถึงวันอัคยราะอัลลอฮ์จะเอาโทษผมอธิบายยังไงดีเนี่ยพวกเราเข้าใจหรือเปล่าพวกนี้ไม่ยอมรับอิสลามเพราะอ้างว่า ท่านนาบีมีผลประโยชน์ถ้ารับอิสลามปุ๊บท่านนาบีจะได้รับผลประโยชน์กับอัลลอฮ์ سبحانه และก็ุตัลลาซึ่งจริงๆแล้วเรื่องการศรัทธาเรื่องการไม่ศรัทธาเนี่ยเป็นความรับผิดชอบส่วนตัวเธอจะรับหรือไม่รับพอถึงวันอาคริร์ต่างคนต่างก็ต้องรับผิดชอบตัวเองจะรับไม่รับอัลลอลาจะไม่มาถามหรอก Allah Taala จะไม่ถามมุชริีนเกี่ยวกับความผิดของมุกหมิน Allah Taala จะไม่ถามมุกหมินเกี่ยวกับความผิดของมุสลิกีนที่เราทําทั้งหมดเนี่ยเราต้องการบอกความจริงเจ้าจะรับหรือไม่รับก็เป็นเรื่องของเจ้าพวกมุสริกีนไม่ยอมรับอิสลามเพราะเอาข้ออ้างเนี้ยมาใช้เอาข้ออ้างของความเป็นเรื่องความผิดส่วนตัวความไม่ชอบส่วนตัวเอามาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ยอมรับอิสลาม เดี๋ยวผมอ่านตัดเสี้ยของอัษฎีดีกว่านะเพราะว่าจะอธิบายได้เข้าใจเพิ่มเติมนะกลัวว่าจะเข้าใจเข้าใจไม่ไม่ถูกนะครับว่าอายัดนี้เนี่ยถ้าเราอ่านภาษาอาหรับตรงๆเนี่ยนะกุลละทุสอาลูนะอัมมะอัจรอมนะวะลาอุสอัลูอัมมะจัมมารูมันจะเข้าใจในตัวแต่เราจะเชื่อมโยงกับการด้อาวะของท่านนาบียังไงแค่นั้นเองนะครับให้เราเข้าใจมากขึ้นเจ้าจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับความผิดของเรา และเราจะไม่ถูกฐานไม่ถูกถามเกี่ยวกับความผิดหรือสิ่งที่พวกเจ้ากระทำหมายความว่าอย่างไงไอ้คนล้มมินน่าวามิ่คุมละหูอามาลูหูพวกเราแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเราหรือเป็นพวกเจ้าละหูอามาลูหูจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองกระทำอันจุมลาตุสเอาลูนันอิจราไมน่าและนูบินาเลวอัลนบนา พวกเจ้าจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับความผิดของเราถ้าเราทำผิดวะนะ์นนุอฺอันอามาลิุมและเราก็จะไม่ถูกถามเกี่ยวกับความผิดของเจ้าฟะลยฺคุนอลมักซุดมินนฺวะมิ่งคุมฮะลบุลฮฺกฺไวตวะสุลุคุทาริคฺอฺอินซัฟอหมายสูงสุดของเราก็คือต้องการแสวงหาความจริง อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาเป็นอุปสรรคในการยอมรับความจริงเพราะเรื่องส่วนตัวเนี่ยเจ้าจะไม่ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของฉันและฉันก็จะไม่ถูกถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเจ้าความจริงเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการแสวงหาอันนี้ต่างหากสําคัญการแสวงหาความจริงสําคัญมากกว่าเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้น ว ا ا ج ج ัดาห์ไมค ع ณ ل ่านั่งมาล์ว่าลายคุณมาน ح ่งลุกม์ไม่ตบอย่าเอาพฤติกรรมส่วนตัวของเราเป็นสาเหตุในการที่พวกเจ้าจะไม่รับสัจธรรมอันนี้คือการอธิบายนะครับในตัวซีรของอัษฎีแล้วทุ่งเลือั่มากระมนา ว่าาอุตส่าอ่ามาจะมาลูนในฝั่งของพวกมุชลินเราต้องสื่อสารไปอย่างนี้ฝั่งของคนที่ไม่ยอมศรัทธาเพราะเรื่องส่วนตัวที่เขามีปัญหากับเราเราบอกเขาไปเลยเรื่องส่วนตัวจะมาเกี่ยวข้องกับศัตรย์ธรรมไม่ได้ความจริงก็คือความจริงเรื่องส่วนตัวก็เป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนที่หลายคนบอกว่าอสลามเป็นศาสนาที่ดีก็จริงแต่ว่ามุสลิมทาไมดูไม่ดี พฤติกรรมของมุสลิมสะท้อนไปที่ความสัต์จริงของอิสลามไหมมุสลิมบางคนดืมเล่ามุสลิมบางคนหลอกลวงมุสลิมบางคนคดโกงแล้วเราจะบอกว่าอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ดีอย่างนี้ถูกต้องไหมถ้าพูดแบบนี้นะมันพูดได้ทุกศาสนาถูกไหมบางศาสนาอื่นเขาก็ยิ่งกว่าเราอีกแล้วก็จะบอกว่าศาสนาไม่มันก็ เจ้าเจ้ากันเพราะฉะนั้นยามาเกี่ยวโยงกันศัจธรรมก็คือศัจธรรมพฤติกรรมส่วนตัวของคนที่นับถือก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ต้องแยกออกจากกันเพราะฉะนั้นในเมื่อรู้แล้วว่ามันคือศัจธรรมก็อยู่ที่ความรับผิดชอบส่วนตัวของเราอันนี้เป็นการอธิบายลักษณะหนึ่งอธิบายอีกลักษณะหนึ่งก็คือในฝั่งของมุสลิมินฝั่งของมุชลิกินเนี่ยเราอธิบายแล้วเขาจะไม่ยอมรับความจริง พระนิสัยส่วนตัวของเราไม่ถูกอันนี้ฝั่งมุชริกีนฝั่งของมุสลิมินก็คือฝั่งของคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่ทําหน้าที่ในการด่าวาชเชิญชวนก็คือหน้าที่ของเราต้องเชิญชวนเขาเขาจะรับหรือไม่รับพอถึงวันเกียรมรักมันจบแล้วอัลลอฮ์จะไม่มาถามแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมุสินหน้าที่ของผู้ศรัทธาก็คือต้องบอก ต้องบอกต้องอธิบายส่วนเขาจะรับหรือไม่รับบท ห, หน้าที่ของเขาแล้วในวันอัคิีรอตอะไรจะไม่มาถามเราอีกแล้วถ้าสมมติว่าเราได้ทาหน้าที่บนโลกดุนย์นี้เสร็จไปแล้ว อ, อันนี้เป็นการอธิบายในทั f ซี r ของอิบนาอัตีรถ้าไปดูในอิบนาอีรเนี่ยจะอธิบายลักษณะอย่างนี้ม่นาหูอัตบริมิ่ฮุมไอลัสตุมมินนาวะลานะห์นูมิคุม بلندعوكم إلى الله تعالى وإلى توحيده وإفرالعبادة له فإن أجبتم فإنتم منا ونحن منكم و ن كذبتم نحن براء منكم وأنتم براء منا เราชนชั่พวกเจ้าสุขันทูหิตต่อ Allah สุขันอิบะดาห์ต่อ Allah เพียงพระองค์เดียวถ้าเจ้ารับเจ้าก็จะเป็นพวกเรา เจ้าก็จะเป็นเหมือนเราแต่ถ้าพวกเจ้าไม่รับฉันไม่เกี่ยวข้องแล้วทาหน้าที่พอถึงวันอคัคราจะมาให้จะมาขอร้องให้ฉันไปช่วยไม่มีแล้วเฉพาะดุน ي ة นี้เท่านั้นนะที่ฉันช่วยได้ช่วยยังไงช่วยบอกช่วยเตือนในดุน ي ة ช่วยบอกว่าอะไรคือความจริงถ้าพวกท่านยอมรับอัลฮัมดุลิลละท่านก็เป็นมุสลิมเหมือนเรา แ้วท่านก็จะได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺสุบฮานตะไรฮันเตียมัดแต่ถ้าพวกท่านไม่รับต่างคนต่างอยู่เหมือนกับอายัดอุลยาอายุฮัลกัฟิรุละอะบูดูมาตับูดูในดนะุนเนียะนั้นต่างคนต่างอยู่แล้วพอจังวันอัคคีราะเนี่ยอัลลอฮฺจะละจะลงโทษพวกเจ้าพวกเจ้าจะมาขอร้องให้เราไปช่วยในวันอัคคีราะเนี่ยเราช่วยได้ไหมไม่ได้อีกแล้วเพราะฉะนั้นอายัดนี้เนี่ยทั้ง ในมุมของมุสริีนก็น่าสนใจอย่าทำให้พฤติกรรมส่วนตัวของมุสลิมบางคนเป็นอุปสรรคในการยอมรับสจธรรมทั้งในมุมของผู้ศรัทธาก็น่าสนใจเราต้องทำหน้าที่ในการบอกความจริงเขาจะรับหรือไม่รับเราหมดภาระความรับผิดชอบตอนนั้นอัลลอฮสุบฮานตะลาในวันเกียรติรแล้ว ให้เขาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องส่วนตัวของเขาเองนี่คือสิ่งที่เราจะต้องต้องบอกเขานะตุลเลตุสอัลูนะอามะอัจรอมนะ ولا نسأل عن ما ت นะงคนละนะสองสองกุละอันทั้งะป قل يجمع ย ي ن ن ا ربنا ุน يستحب ف กล่าวเฉยว่าข้าพเจ้าของเราจะส่งรวบรวมพวกเราทั้งหมดในวันเกียร่าไอ้ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกดุนยาบอกเขาไปในโลกดุนยาเรามีหน้าที่อะไรเจ้ามีหน้าที่อะไรพอถึงวันอัคะะราอัลลอฮฺจะรวบรวมมนุษย์ทั้งหมด แล้วพระองค์ก็จะตัดสินระหว่างพวกเราด้วยความยุติธรรมด้วยความจริงุมาาาตบบนนววหพระองค์คือผู้ทรงตัดสินในเรื่องที่ละเอียดอ่อนในเรื่องที่ซับซ้อนได้อย่างดีพระองค์ทรงรอบรู้พระองค์คือผู้ทรงตัดสินที่รอบรู้เพราะฉะนั้นดุนยาไม่ใช่ที่ตัดสิน ดุนยาเนี่ยยังไม่ยอมรับอย่าเพิ่งด่วนตัดสินอาคยรคือสถานที่ที่ความจริงจะปรากฏคนที่ศรัทธาตวันอาคยรเขาก็จะได้เห็นว่าอัลลอฮ์ซุลฮานะวะตะอลจะให้อะไรกับเขาส่วนคนที่ไม่ศรัทธาตวันอาคยรไม่ว่าเขาจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาสุดท้ายเขาก็ต้องกลับไปหาอัลลอ์ตะอัลาอยู่ดีแต่วันนั้นก็เตรียมตัวนะในเมื่อรู้แล้ว ว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้เตรียมวันอัคยิร์ะไว้ก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมตัวที่จะเจอกันกุลมีกุลอีกยังไม่จบให้จบกุลวันนี้กุลอรูนีย์ดีนอัลฮักตุมบิฮิชูรักะจงกล่าวถึงมุฮัมมัดพวกท่านจงแสดงให้ฉันเห็นบรรดาสิ่งตั้งภคี นะสิ่งที่พวกท่านเนี่ยเอามาตั้งภากีกับอัลลอฮ์ س ب าน ن ه และุสุบฮฺ ى, นะไออ๋อกมาสิกว่าในบรรดาสิ่งที่พวกท่านเคารพ บ, บูชาเนี่ยอันไหนที่พวกท่านคิดว่าเอามาเทียบเคียงกับอลัลลอฮ์ตัลลาได้สามร้อยหกสิบตัวตัวไหนบ้างที่เอาไปเทียบเอาไปเป็นภากีกับอลัลละฮ์ตลลาได้มีไหมมีตัวไหนเอาชื่อมาก็ได้สักชื่อหนึ่งลองบอกมนุษย์ทั้งโลกนี่ก็ได้ นาประกาศไปเลยโอ้มนุษย์ทั้งโลกถ้าพวกเจ้าคิดว่ามีหุ้นส่วนมีภาคีอื่นที่มีอานาจเทียบทเทียบเท่ากับอัลลอ์ไหนเอามาสักสักชื่อนึงมีใครจะเสนอชื่อมาไหมชื่ออะไรอ่ะมีอะไรที่สามารถเอามาเทียบกับอานาจของอัลลอฮ์สุบฮานอตา่าอะไขอสักชื่อนึงมีไหม เนี่ยเราตะลาทถามให้ท่านนาบีถามพวกมุชริกีงอยกันหมดนะเพราะสามร้อยหกสิบตัวที่อยู่รอบกับบ้านเนี่ยไม่มีสักตัวนั้นที่สามารถเอามาต่อสุภาห์เราตะล่ตอนนี้เราก็ถามไปสิสุภาหนัลนลสุภาหนัลล่นลมนุษย์รู้ทั้งรู้ว่าอำนาจสูงสุดคือคือใครคืออัลลอฮ์บ ب า ا ن ه และแต่ก็ยังไปหมกมุ่นอยู่กับ อะไรก็ไม่รู้ที่มีอำนาจหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้เลยแต่สุภาพนอ่มบกมุ่นจนกระทั่งยอมยอมทุกอย่างยอมจ่ายยอมถทวายยอมนู่นยอมนี่สุภาพนอ่อละเป็นไปได้ยังไงเพราะฉะนั้นเอาตาลาจริงประกาศกันละไม่ไม่เอาเลยเอามาสักชื่อหนึ่งก็อยากเอามาเอามาตอนนี้ก็เอามาเอามาสักชื่อหนึ่ง ชื่ออะไรที่คิดว่ามีอาํานาจเท่ากับ Allah <ด>อัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และ تعالى กุลอารูนิแสดงออกมาให้เห็นว่า الذي ألحقتم به ش ر ห ا ไม่รู้แล้วว่าอํานาจสูงสุดเป็นของอัลลอฮ์ทำไมถึงไม่โตฮีต่ออัลลอฮ์ตาลาทาไมถึงไม่ไดเริกไปที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เลยทําไมต้องเอาเล็กๆน้อยๆ ย, ย, ยิบยิบ ย, ย่ยอยย่อยที่ไม่รู้ว่ามีอํานาจหรือเปล่าเนี่ยมาชชริกกับพระองค์ าจมรีมตรีีอัลฮักตมันาลตอบเองกลเป็นไปไม่ได้ไม่มีสิ่งจะเทียบเท่ากับอัลล์ ه ะะพราพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์เป็นผู้สร้างจักรวาลนี้เราจะมีสิ่งใดที่เทียบเท่ากับพระองค์ได้อีกบัลหุัลลมีแต่อัลล์เท่านั้นอัลอซ อัลฮะกม Allah ผ Al ู้ทรงเปลียงใครผู้ทรงอำนาจผู้ทรงเปลี่ยนใครผู้ทรงสูงสนอัลฮะกิมผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยหิกมัติทรงไปด้วยความปริยายาเพราะฉะนั้นสิ่งอื่นจึงไม่สามารถที่จะเอามาเทียบกับ Allah ตาอัลอาได้แล้วมนุษย์จะยังชิริกทำไมส ب ح ا ن Allah سبحان Allah ถ้าเราใช้ปัญญาสักนิดหนึ่ง เป็นไปไม่ได้ที่เราจะชีรทิกกับอัลลอฮ์ุานอวตาะเพราะอานาจที่แท้จริงเป็นอานาจของพระองค์เท่านั้นว่มาอัสลจบแล้วนะกุลกุลกุลจบลวทีนี้มาถึงอายัดใหม่ว่มาอลนคอละคาเฟตลลินสบชร์และนดีรและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาอ้มมห์มัดนอกจาก สำหรับมนุษย์ทั้งปวงกาฟาเทลินสแต่ไม่ได้ถูกส่งมาให้กับอาหรับอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งอาหรับและทั้งไม่ใช่อาหรับมากกว่านั้นกูรูะะ้บางคนทักซีว่าหมายถึงส่งมาให้ทั้งกับจินและมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นแม้แต่จินก็ต้องรับการเชิญชวนของท่านนบีสุลต่าน บัชีรอนวานาซีรอขัณฑบีททำหน้าที่อะไรแจ้งข่าวดีใครที่ศรัทธาจะได้เข้าสวรรค์วานาซีรอแจ้งข่าวร้ายใครที่ปฏิเสธศรัทธาก็จะต้องเป็นชาวนรกวะลากินนักสารนนาศิลายัลโมนแต่บรรดุส่วนใหญ่เป็นยังไงจาริลไม่ยอมรับรู้ไม่ยอมรับรู้หนึ่งหรือรับรู้แล้วแต่ดื้อดึง มีค่าเท่ากันและอย่าละมุนเหมือนกันอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ยอมเรียนไม่ยอมรับทราบเลยอันนี้ก็คืออยาเอลประเภทหนึ่งหรือรู้แล้วเรียนแล้วแต่ดื้อยืนกรานที่จะปฏิเสธเหมือนพวกมุสริมคนลับเป็นไงคนรับเท่ากันและอย่าละมูนเหมือนกันนอิมมายุบฮัลวอิมมา อิม่าจุฮาลหรือมุ ع นดุลล้มไม่ทำกับการเรียนรู้ของพวกเขาราวกับว่าพวกเขาไม่รู้อะไลหรือพวกเขดื้อหนึ่งอยู่เหมือนกับไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นนี่คือสภาพของคนส่วนใหญ่ไมอใช่ Allah إ ِ ل ََّ ـ َ ا ا ل ْ ع َ ا َ ah um م ُ و َ ي َ ق ُ و ل ُ و َ مَتَى هَذَا إ َِ ا َِอันนี้คือข้ออ้าง ที่มีมาทุกยุคสมัยนะถ้าเมื่อวันอาครรัต์มีจริงมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรอันนี้คำถามทิ่ตั้งเพื่อควนติงนะภาษาบ้านเราก็คิดตั้งเพื่อกวรติงนะถามท่านน บ, บีเอา้าท่านน บ, บีบอกว่าวันเกียรมันจะเกิดขึ้นเอา้าบอกมานจวันไหนตกลงคนถามฉลาดว่าโง่เอาจริงๆคาถามนี้เนี่ยออกมาจากคนฉลาดเป็นคำถามที่ฉลาดหรือว่าเป็นคาถามที่โง่ เอาอย่างไงพวกเราสมควรถามให้คําถามนี้วันไหนอ่ะวันเกียร์มัดมาวันไหนอ่อนึกว่าตัวเองฉลาดละสุ่ห้านัลนแหละเราลองกลับไปพิจารณาดูนะคนที่บอกว่าวันเกียร์มัดจะมีจริงเนี่ยคือใครอัลลอฮ์บอกผ่านใครมาฮัมม์มาสละลลอฮ์อะไรวะฉันแล้วแล้วมุฮัมมัดนี่เป็นใครสี่สิบปีที่ใช้ชีวิตอยู่ที่มักกะเนี่ย เคยสักครั้งหนึ่งไหมที่มุฮัมมัดโกหกไม่มีแล้วใครที่ยอมรับก็พวกมันเองนั่นแหละที่ยอมรับพวกมุสลินเองยอมรับว่ามุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยซูลลัมคืออัลอามีนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ไม่เคยโกหกมาทั้งชีวิตแล้วท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยซูลลัม สี่บปีที่ไม่เคยโกหกมาทั้งชีวิตเนี่ยมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีวันเกียรมัดนะอ๋อแล้วคนทั้งมักกะเปลี่ยนจากที่บอกว่ามาทมัดไม่เคยโกหกมากลายเป็นคนโกหกได้ตกลงใครใครที่มีปัญหาทางปัญญามากกว่าสุวนห้านัลล่อนะครับคนพวกนี้ไม่ยอมคิดไม่ยอมใช้ปัญญาของตัวเอง ในตำเสราดีบอกว่าคําถามนี้เป็นคําถามของคนที่โง่แล้วโง่องีกเพราะอะไรนะมาดูวิธีการอธิบายว่าการดูแลของพวกเขาในวันที่พวกเขาได้พบนี้มันจะใช้ตักกะว่าถ้าสมมติวันอัคราตมีจริงท่านนบีต้องบอกได้ว่าเกิดวันไหน กระจายไหครับถ้าบอกไม่ได้ว่าเกิดวันไหนแสดงว่าท่านนาบีโกหกมันเกี่ยวกันไหมระหว่างบอกว่าวันกิยามัตมีจริงแต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นวันไหนเนี่ยสองอย่างนเนี่ยเนี่ยมันมีความสำัำคัญในเรื่องความสัต์จริงและความตัวหกได้ยังไงมันไม่เกี่ยวกัน ท่านนบีบอกว่าวันเกียมัดจะมีจริงแต่ท่านไม่รู้ว่าวันเกียมัดจะเกิดวันไหนไม่ได้แปลว่าท่านเป็นคนโกหกเพราะอะไรสมมุตินะสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วก็เรื่องของท่านนบีสุลตลานนี่แหละศสตร์ดีก็ยกตัวอย่างท่านนบีท่านนบีไม่เคยโกหกถ้าสมมุติท่านเองท่านเองเป็นคนยกตัวอย่างท่านนบีสุลต่าก่อนที่ท่านจะด่าวะ ชาวมักกะทั้งหมดเนี่ยท่านก็เคยถามนาท่านบอกวา่าตอนที่ท่านขึ้นไปบนเขาซาฟาร์และท่านก็ถามพวกมุชลีกีนทั้งหมดพวกมุชลีกีนพวกชาวมักกะทั้งหลายถ้าสมมุติฉันจะบอกว่าหลังเขาซาฟามีกองทัพอยู่กองทัพหนึ่งกําลังจะบุกเข้ามาในเมืองมักกะพวกท่านจะเชื่อไหมทุกคนยอมรับหมดว่า เราไม่เคยเห็นท่านพูดโกหกเราเชื่อแน่นอนถ้าท่านผูกถ้าท่านพูดแบบนี้เราเชื่อว่าท่านพูดพูดจริงเราไม่ได้บอกนะว่าจะเข้ามาวันไหนบอกหรือเปล่าว่ากองทัพที่อยู่หลังเขาเนี่ยจะเข้ามาพรุ่งนี้หรือจะเข้ามาตอนเย็นแต่พวกมุชลิกินก็เชื่อแค่บอกว่าจะมีกองทัพ บ, บุกเข้ามามักกะเนี่ยพวกมุสลิกินก็เชื่อแล้วกรณีเดียวกันกันกบวันอะคริร้ ท่านนบีมาบอกว่าจะมีวันอัคคีรอแคท่านไม่ได้บอกว่าจะเกิดวันไหนแล้วเราจะเอามาบอกว่าท่านโกหกได้ยังไงเพราะฉะนั้นคำถามนี้จึงเป็นคําถามของคนที่โง่สุดโง่อัลฟาฮุสซาฟีอัลฟาฮุสซูฟะฮ์อัลฟาฮุสเซฟะ سبحان อัลลอฮ์มันไม่มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างการที่ท่านนบีสุลต์สัลลัมบอกว่าวันกิยามัตจะมีจริงแต่ไม่รู้ว่าจะเกิดวันไหนนาพวกมุชลิกนจะมาอ้างว่า การที่ท่านนาบีไม่รู้ว่าวันเกียร์มัดจะเกิดวันไหนแสดงว่าท่านโกหกเพราวันเกียร์มัดมีจริงไม่เกียกเก่ยวกันไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นตั้งคําถามนี้เพื่อเหมือนจะกดขี่เหมือนจะกดมุฮัมมัดสุลลัลท่านนาบีสุลลัลอะลัยซัลลัมให้ยอมแพ้แต่จริงๆแล้วตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ที่ตั้งคําถามแบบง้เขาบบาปัญญานคนฉลาดเขาไม่ตั้งคําถามกันอย่างนี้ วอยกลูนาเมตะฮะด์ลูอัลอินคุนตุน صادق ินถ้ามันมีจริงเนี่ยเอามาเลยเอามาตอนนี้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งความโง่เขลาในสุระก์อื่นเนี่ยพวกมุสลิมีถึงกับบอกท่านนาับีละะุลเลาว่าไหนอ้วนแกมัดไม่เห็นทีไหนบอกว่าจะเกิดอ้วนแกมัดไม่เห็นเกิดสักทีคุลละตัดาลาสาั่งให้ท่านนาบับดุลเลาตอบเป็นคุลอันสุดท้ายแหละคุลเล็ก um ุมมี عاد ูเยอุม ลาตสตัชลาตส تأخيرون عنه ساعة ولا تستقدمون จุงกลาวเ์ชันมูฮัมมัดว่าพวกท่านนั้นมีวันที่ถูกกำหนดเอาไว้แล้ววันไหนฉันก็ไม่รู้อัลละตอราไม่ได้บอกฉันแต่ถูกกำหนดเอาไว้แล้วและเมื่อวันนั้นมาถึงลาตสตัชิรูน่า عنه ساعة พวกเจ้าจะไม่สามารถยืด หรือล่าช้าไปเพียงแค่สักหนึ่งนาทีก็ไม่ได้เวลาจะสตักดิมูนและพวกเจ้าก็ไม่สามารถที่จะขอให้มันเกิดขึ้นเร็วๆเกิดขึ้นตอนนี้เลยได้ไหมก็ไม่ได้เวลาจะสตักฟิรูนางันฮุสัยตันเวลาจะสตักดิมูนการที่ Allah Taala ไม่ได้บอกเราว่าวันพิจามะจะเกิดวันไหนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้เราเระวัง ระวังตัวถ้าสมมติอาลตาตลาบอกว่าวันเกียรติจะเกิดทันวาคม 2,525 25. อันนี้มันยังไม่ถึงฟูฟอร์ดไปก่อนค่อยไปเป็นผู้ศรัทธาตอนเดือนทันวา <c oughs> <c oughs> มันเป็นเรื่องตลกถ้าทำอย่างนั้นน่ะมันจะกลายเป็นเรื่องไร้าสาระอันนั้นอาลตาตลาไม่บอกให้มนุษย์รู้ว่าวันอเคเลตจะเกิดวันไหนวันไห น, น, ไหนคือวันสิ้นโลก เพราะเราจะต้องเป็นมุกมินอยู่ทุกเวลาต้องเตรียมตัวอยู่ทุกเวลาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีใครรู้ว่าเราจะตายวันไหนอาเครัตของเราเองเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่วิเนทที่เราที่เราตายเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเอาไว้เถิดเตรียม ต, ตัวตั้งแต่วันนี้เมื่อวันที่เราถึงอาเครัของเราเราก็จะสบายจะได้ไม่ต้องมานั่งโหยหวนอายัดต่อไปเนี่ยจะพูดถึงสภาพของคนที่ไม่ยอมศรัทธา ขงวันอคยรัชเรจะเป็นยังไง سبحان ا ل ه นะครับลาอิลลาอิลล h a l a h هو أ ك ل ه ล ب ح ا ن ه وتعالى حنّى بمحمد صلى ا ل ل ย عليه وسلم في أيام ในสุรษะเนี่ยพูดถึงวันอครัชตั้งแต่ต้นสุรษะมาเลยแต่มนุษย์ก็ยังไม่ยอมศรัทธาจะทำยังไงเราจะสื่อสารยังไงให้ผู้คนเนี่ยศรัทธาว่าวันหนึ่งวันหน้ามีวันอัคยรัชที่รอพวกเขาอยู่ ให้พวกเขาศรัทธาเถิดให้พวกเขาเตรียมตัวเพื่อวันอะคีร า, าเอเถิดเพราะว่าเมื่อถึงวันนั้นเราจะข อ, อกลับมาที่ดุนยาไม่ได้อีกแล้วเราจะมีความเสียใจความเสียดายที่เราไม่ได้ศรัทธาตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้ Allahu astaghfirullahu taala alam wa fakna allahu iyaakum li ma yuhiib wa yarrahussallallahu ala nabiina muhammad wa ala alaihi wasahbi wasallam سبحان ر ب كرب العزة عما يسيفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.